คำพีวิสุทธิมักปริเชษที่19กังขาวิตารณะวิสุทธินิเทศปัจจยะปริฆหายานส่วนว่ายานซึ่งข้ามพ้นความสงสัยในการทั้งสามการในที่นี้สะกดด้วยลอหลิงนะครับด้วยการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปดังกล่าวมาแล้วนั้นนั่นแหละ ชื่อว่ากังขาวิตารณะวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ด้วยข้ามพ้นความสงสัยพระภิกษุผู้ปรารถนาบรรลุกังขาวิตารณะวิสุทธินั้นเริพึงถึงการค้นหาเหตุและปัจจัยของนามและรูปนั้นอยู่เหมือนในแพทย์ผ่าตัดผู้ฉลาดครันเห็นโรคก็ค้นหาสมุดฐานของโรคนั้นอยู่ก็หรือ เหมือนบุรุษผู้มีเมตตาครั้นเห็นเด็กเล็กอ่อนไวนอนงายแบะเบา อ, อยู่ในตรอกจึงรำพึงถึงมารดาบิดาของเด็กอ่อนไวนั้นว่าเด็กนี้เป็นบุตรน้อยของใครหนอฉะนั้นนั่นเทียวกําหนดรู้เหตุและปัจจัยของนามและรูปพระภิกษุนั้น คิดเห็นเป็นแน่แท้มาแต่ต้นเลยดังนี้ว่าก่อนอื่นนามและรูปนี้จะไม่มีเหตุหามิได้เพราะนามและรูปทุกอย่างถึงความเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดในที่ทุกแห่งและในการทุกเมื่อนามและรูปนั้นจะมีเทพเจ้าเช่นพระอิศวรเป็นต้นเป็นเหตุหามิได้เพราะนอกไปจากนามและรูปแล้ว หามีเทพเจ้าเช่นพระอีสวนเป็นต้นไม่เพราะถึงแม้ศาสดาพวกใดจะกล่าวทึกทักเอาว่านามรูปเป็นประมาณนั่นแหละคือเทพเจ้ามีพระอีสวนเป็นต้นนามและรูปที่เขากล่าวว่าคือเทพเจ้ามีพระอีสวนเป็นต้นของพวกศาสดาเหล่านั้นก็ถึงภาวะเป็นของหายเหตุมิได้เพราะฉะนั้น นามและรูปนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยเหตุและปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรหนอแลดังนี้พระภิกษุนั้นครั้นรำพึงถึงเหตุและปัจจัยของนามและรูปอย่างนี้แล้วก็กําหนดรู้เหตุและปัจจัยของรูปกายนี้ก่อนอย่างนี้ว่ากายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้น ภายในดอกบัวอุบลคือบัวขาบดอกบัวปทุมคือบัวหลวงดอกบัวบุญทริกคือบัวขาวและดอกบัวจงกณีคือบัวแดงอันมีกลิ่นหอมเป็นต้นม่ได้เกิดขึ้นภายในแก้วมณีและแก้วมุกดาหานเป็นต้นหากแต่เกิดขึ้นในระหว่างกระเพาะอาหารใหม่และกระเพาะอาหารเกา่าเอาพื้นท้องไว้ข้างหลังเอากระดูกสันหลังไว้ข้างหน้า แวดวงไว้ด้วยไส้ใหญ่และไส้น้อยแม้ตัวเองก็ปฏิกูลด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นอยู่ในที่คับแคบมากซึ่งปฏิกูลด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นดุดตัวนอนที่เกิดขึ้นในปลาเน่าในขนมบูดในบ่อน้ำกราในหลุมโศโครกเป็นต้นรูปซึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้นั้นมีธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยห้าอย่าง ได้แก่ธรรมะสี่อย่างคืออวิชชาหนึ่งตัณหาหนึ่งอุปาทาหนึ่งและกรรมหนึ่งเหล่านี้เป็นเหตุเพราะเป็นผู้ให้เกิดขึ้นและอาหารเป็นปัจจัยเพราะเป็นผู้อุปธรรมหนึ่งแม้ในธรรมะเหล่านั้นธรรมะสามอย่างมีอวิชชาเป็นต้นเป็นที่เข้าอยู่อาศัยของกายนี้ เปรียบเหมือนมารดาเป็นที่เข้าอยู่อาศัยของทารกกรรมเป็นผู้ให้เกิดเปรียบเหมือนบิดาเป็นผู้ทําให้บุตรเกิดอาหารเป็นผู้ค้ำจุนกายนี้ให้ทํารงอยู่เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงคอยอุ้มชูทารกพระภิกษุนั้นรันกำหนดรู้ปัจจัยของรูปกายอย่างนี้แล้วจึงทําการกำหนดรู้ปัจจัย ของนามกายต่อไปอีกโดยในยะเป็นต้นว่าจะขู่วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขู่และรูปทั้งหลายดังนี้ละความสงสัยส6หกประการพระภิกษุนั้นกรันเห็นความเป็นไปของนามและรูปโดยปัจจัยดังกล่าวนี้แล้ว ก็เห็นอยู่เสมอเนืองๆว่านามแล้วรูปน oh, ี้เป็นไปอยู่ทั้งในปัจจุบันบัดนี้ฉันใดถึงแม้ในอดีตการก็ได้เป็นไปแล้วโดยปัจัยอีกทั้งในอนาคตการก็จักเป็นไปโดยปัจัยฉันนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นเห็นอยู่เสมอเนืองๆอย่างนี้ก็ละความสงสัยแม้ทุกอย่าง คือความสงสัยซึ่งท่านปรารกที่สุดเบื้องต้นคืออดีตการแล้วกล่าไวไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าในอดีตกา ร, า ร, การข้าพเจ้าได้เป็นแล้วหรือหนอในอดีตการข้าพเจ้าไม่ได้เป็นมาแล้วหรือหนอในอดีตการข้าพเจ้าได้เป็นอะไรมาแล้วหนอในอดีตการข้าพเจ้าได้เป็นอย่างไรมาแล้วหนอในอดีตการ ข้าพเจ้าเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรมาแล้วหนออีกทั้งความสงสัยซึ่งท่านปรารบที่สุดเบื้องปลายคืออนาคตตการแล้วกล่าวไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าในอนาคตตการข้าพเจ้าจะเป็นหรือหนอในอนาคตตการข้าพเจ้าจะไม่เป็นหรือหนอในอนาคตตการข้าพเจ้าจะเป็นอะไรหนอ ในอนาคตการข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรหนอและในอนาคตการข้าพเจ้าจะเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรมาแล้วหนออีกทั้งความสงสัยซึ่งท่านปรารบการปัจจุบันก็หรือว่าเป็นผู้มีความสงสัยภายในปรารบการปัจจุบันในบัดนี้เล่ากล่าวไว้อีกหกอย่างดังนี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นอยู่หรือหนาข้าพเจ้ามิได้เป็นอยู่หรือหนาข้าพเจ้าเป็นอะไรอยู่หนาข้าพเจ้าเป็นอย่างไรอยู่หนาสัตว์นี้มาจากไหนหนาและสัตว์นั้นจะไปไหนหนากกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปอีกวิธีหนึ่ง รพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นปัจจัยสองอย่างของนามโดยทางสาธารณปัจจัยและอส า, าธารณปัจจัยเห็นปัจจัยสี่อย่างของรูปโดยทางเหตุมีกรรมเป็นต้นว่าความจริงปัจจัยของนามมีสองอย่างคือสาธารณหนึ่งและอาสาธารณหนึ่งในสองอย่างนั้นทวารหกมีจักสุเป็นต้น และอารมณ์หกมีรูปเป็นต้นเป็นสธารณะปัจจัยของนามเพราะเป็นไปแก่นามแม้ทุกประการตามความแตกต่างมีนามที่เป็นกุศลเป็นต้นส่วนธรรมะอื่นมีมณสิกานคือความใส่ใจเป็นต้นเป็นอาสาธนาปัจจัยเพราะธรรมะมีโยนิโสมณสิการและการฟังธรรมเป็นต้น เป็นปัจจัยของนามเฉพาะที่เป็นกุศลเท่านั้นธรรมะตรงกันข้ามเป็นปัจจัยของนามอากุศลแต่กรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นวิบากและผวังเป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นกิริยาส่วนกรรมจิตฤดู อาหารสี่อย่างซึ่งมีกรรมเป็นต้นนี้เป็นปัจจัยของรูปในสี่อย่างนั้นกรรมเฉพาะที่เป็นอดีตเท่านั้นเป็นปัจจัยของรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานจิตเมื่อเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของรูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานส่วนฤดูและอาหารเป็นปัจจัยของรูป ที่มีฤดูและอาหารเป็นสมุดฐานในขณะรูปนั้นตั้งอยู่ดังนี้พระภิกษุรูปหนึ่งทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปด้วยอาการดังกล่าวนี้ครั้นเธอเห็นความเป็นไปของนามและรูปโดยปัจจัยอย่างนี้แล้วก็เห็นอยู่เสมอเนืองๆว่านามและรูปนี้ในบัดนี้เป็นไปอยู่อย่างใด แม้ในอดีตการก็เป็นไปแล้วโดยปัจจัยแม้ในอนาคตการก็จักเป็นไปโดยปัจจัยอย่างนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ก็ละเสียได้ซึ่งความสงสัยในการแม้ทั้งสามโดยนยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละกำหนดรูปปัจจัยของนามและรูป ทางปฏิจจสมุปบาทพระภิกษุอีกรูปหนึ่งครันเห็นสังขารทั้งหลายกล่าวคือ น, นามและรูปเหล่านั้นแหลถึงความชราและเห็นความแตกดับของสังขารทั้งหลายที่ชราแล้วจึงทําการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมอย่างนี้ว่า ที่เรียกว่าชราและมรณะของสังขารทั้งหลายนี้มีขึ้นเพราะมีความเกิดความเกิดมีเพราะมีพบพบมีเพราะมีอุปาทานอุปาทานมีเพราะมีตัณหาตัณหามีเพราะมีเวทนาเวทนามีเพราะมีพัสสะพัสสะมีเพราะมีอายตนะหกอายตนะหกมีเพราะมีนามและรูป นามและรูปมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะมีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะมีอวิชชาดังนี้ครั้นแล้วพระภิกษุนั้นก็ละความสงสัยได้โดยในยักล่าวแล้วนั่นแลพระภิกษุอีกรูปหนึ่งทำการกําหนดรู้ปัจจัยของนามแล้วรูป ทางปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแต่โดยอนุโลมซึ่งแสดงไว้พิสดารข้างต้นแล้วในตอนกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในปัญญาภูมินิเทศข้างต้นมีอาทิว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารด้วยประการฉนี้แหลครั้นแล้วพระภิกษุนั้นก็ละความสงสัยได้โดยในยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละ กำหนดรู้ปัจจัยทางกรรมวัฏและวิปากวัฏพระภิกษุอีกรูปหนึ่งทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางกรรมวัฏและวิปากวัฏอย่างนี้ว่าธรรมะห้าอย่างคือโมหะในกรรมภพก่อนได้แก่อวิชชาหนึ่งความตั้งใจทำไว้ในกรรมภพก่อน ได้แก่สังขารหนึ่งความใคร่ได้ตัญหาหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นได้แก่อุปาทานหนึ่งเจตนาได้แก่ภพหนึ่งในกรรมภพก่อนเหล่านี้เป็นปัจจัยของปฏิสนธิในภพนี้ธรรมะห้าอย่างคือปฏิสนธิในภพนี้ได้แก่วิญญาณหนึ่ง การก้าวลงในคันมานดาได้แก่นามรูปหนึ่งประสาทได้แก่อายตนะหนึ่งสิ่งที่สัมผัสถูกต้องได้แก่พัสสะหนึ่งการสวยอารมณ์ได้แก่เวทนาหนึ่งในอุปปัตติภพนี้เหล่านี้เป็นปัจจัยของกรรมที่ทําไว้ในภพก่อน เพราะเหตุที่อายตนะทั้งหลายแก่กล้าในภพนี้แล้วธรรมะห้าอย่างคือโมหะได้แก่อวิชชาหนึ่งความตั้งใจธรรมได้แก่สังขารหนึ่งความใคร่ได้แก่ตันหาหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นได้แก่อุปาทานหนึ่งเจตนาได้แก่ภพหนึ่งในกรรมมาภพนี้ เหล่านี้เป็นปัจจัยของปฏิสนธิในภพต่อไปดังนี้ว่าด้วยกรรมส2บสองชนิดชื่อกรสิบสองในภาษาไทยแปลตามพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสในธรรมวิภาคบริเฉทที่สอง ในกรรมวัดและวิปากวัินั้นกรรมให้ผลตามกราวมีสี่อย่างคือหนึ่งทิฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพนี้ 2. อ, อุปัชฌเวทนียกรรมกรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า 3. อปราประเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพสืบบไปและสี่อาโหสิกรรมกรรมให้ผลสำเร็จแล้วในบรรดาจิตเจ็ดดวงซึ่งดำเนินไปชาวนาวิถีเดียวกันนั้นชาวนาเจตนาดวงแรกเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามมีชื่อเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรม พธรรมะเวทนยกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่เมื่อไม่สามารถให้ผลอย่างนั้นก็มีชื่อเรียกว่าอาโหสิกรรมไปที่เป็นกรรมมีชื่อเรียกว่าอาโหสิกรรมตามหลักของหมวดสามคือติกะดังนี้คือผลของกรรมมิได้มีแล้วหนึ่งผลของกรรมจะไม่มีหนึ่ง ผลของกรรมไม่มีอยู่หนึ่งส่วนชาวนาเจตนาดวงที่เจ็ดซึ่งทําให้สาเร็จความประสงค์มีชื่อเรียกว่าอุปปัชเวทะนียกรรมอุปปัชเวทนียกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพถัดไปเมื่อไม่สามารถให้ผลตามนั้นก็เป็นกรรมมีชื่อเรียกว่าอาโหสิกรรมไป โดยนัยยะดังกล่าวแล้วเช่นกันชวนาเจตนาอีกห้าดวงในระหว่างชาวนาเจตนาสองดวงคือดวงที่หนึ่งและที่เจ็ดมีชื่อเรียกว่าอัปราประเวทนิยกรรมอัปราประเวทนิยกรรมนั้นได้โอกาสเมื่อใดในการอนาคตให้ผลเมื่อนั้นเมื่อยังมีความเป็นไปของสังสาระอยู่ ก็ยังไม่เป็นกรรมมีชื่อเรียกว่าอโหสิกรรมยังมีกรรมให้ผลตามลำดับอีกสี่อย่างคือหนึ่งขรุกรรมกรรมหนักสองพหุลกรรมกรรมเคยชินสาอสันกรรมกรรมเมื่อจวนเจียนและสกตตตากรรมกรรมสักตวธรรม บรรดากรรมสี่อย่างนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตามในบรรดากรรมหนักและไม่หนักกรรมใดเป็นกรรมหนักเช่นมาตุฆาตฆามารดาเป็นต้นก็ตามหรือมหักตกกรรมก็ตามกรรมนั้นแหละให้ผลก่อนถึงแม้ในบรรดากรรมที่เคยชินและไม่เคยชินก็เหมือนกันกรรมใดที่เคยชิน เช่นความเป็นผู้มีศีลดีก็ตามหรือความเป็นผู้ทุศีนก็ตามกรรมเคยชินนั้นแหลให้ผลก่อนกรรมที่คนเราระลึกได้ในเวลาใกล้มรณะมีชื่อเรียกว่าอสัญกรรมคือกรรมเมื่อจวรเจียนเพราะว่าบุคคลผู้ใกล้ตายสามารถระลึกถึงกรรมใดได้เขาก็เกิดขึ้นด้วยกรรมนั้นนั่นแหล ส่วนกรรมนอกจากสามอย่างนี้เป็นกรรมที่ได้ความคุ้นเคยบ่อ ย, อยมีชื่อเรียกว่ากะตัตากรรมเมื่อไม่มีกรรมสามอย่างเหล่านั้นแล้วมันจึงชักพาไปสู่ปฏิสนธิยังมีกรรมให้ผลตามกิจอีกสี่อย่างคือหนึ่งชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิด 2. อุปธรรมภกกกรรมกรรมสนับสนุนสอุปปีลกกกรรมกรรมบีบคั้นและสอุปฆาตกกรรมกรรมตัดรอนบรรดากรรมสี่อย่างนั้นกรรมที่มีชื่อว่าชนกกรรมเป็นทั้งกุศลทั้งอกุศล สนกกรรมทำให้เกิดวิบากขันในการมาพบในรูปประพบและในอรูปประพบทั้งในเวลาปฏิสนธิทั้งในเวลาที่วิบากขันเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายส่วนอุปธรรมภกกกรรมไม่สามารถให้เกิดวิบากขันได้แต่เมื่อกรำรอื่นให้ปฏิสนธิแล้วจึงสนับสนุนสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิบากขัน ซึ่งกรรมอื่นให้เกิดขึ้นให้เป็นไปตลอดกาลอุปภีลกักกรรมเมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้วก็เข้าบีบคั้นเบียดเบียนสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิบากรรมซึ่งกรรมอื่นนำให้เกิดขึ้นมีให้ดำเนินไปตลอดกาลส่วนอุปฆาตกั ก, กรรม ไม่ว่าตนเองจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามคอยตัดรอนกรรมอื่นที่มีกําลังด้อยกว่าห้ามปราบผลของกรรมนั้นไว้แล้วทําโอกาสให้แก่ผลของตนแต่เมื่อก ร, รทำทําโอกาสให้อย่างนี้แล้วก็เรียกวิบากนั้นได้ว่าเกิดขึ้นแล้วลําดับของกรรมและลําดับของวิบากของกรรมสิบสองอย่าง ดังกล่าวมานี้ย่อมปรากฏโดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงเฉพาะแก่กรร ม, มวิปากยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สาธานคือไม่สาธารณะทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายแต่พระภิกษุผู้บำเพ็ญวิปัสนาพึงทราบทั้งลำดับของกรรมและทั้งลำดับของวิบากไว้โดยเอกเทศเพราะฉะนั้น จึงได้ประกาศความวิเศษของกรรมนี้ไว้ด้วยการแสดงแต่เพียงที่เป็นหลักด้วยประการชนนี้พระภิกษุรูปหนึ่งครั้นบรรจุกรรมส2บสองอย่างนี้เข้าไว้ในกรรมมวัดด้วยประการชนนี้แล้วทําการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางกรรมมวัดและวิปากวัฏ ด, ด้วยประการดังกล่าวนั้น พระภิกษุนั้นครันเห็นความเป็นไปของนามและรูปโดยปัจจัยทางกรรมวัฏและวิปากวัฏแล้วก็เห็นอยู่เสมอเนืองๆว่านามและรูปนี้ในบัดนี้ก็เป็นไปอยู่โดยปัจจัยทางกรรมวัฏและวิปากวัฏชันใดถึงแม้ในอดีตการก็เป็นไปแล้วโดยปัจจัยทางกรรมวัฏและวิปากวัถึงแม้ในอนาคตการ ก็จักเป็นไปโดยปัจจัยทางกรรมวัดและวิปากวัฏเช่นกันเหมือนกันฉันนั้นทั้งกรรมและทั้งวิบากของกรรมทั้งกรรมวัฏและทั้งวิปากวัฏทั้งความเป็นไปของกรรมและทั้งความเป็นไปของวิบากทั้งความสืบต่อของกรรมและทั้งความสืบต่อของวิบากทั้งกิริยาและทั้งผลของกิริยา ก็เป็นไปด้วยประการชนนี้กรรมะวิปากาวัตตันติวิปากโกกรรมะสัมภโวกรรมาปุณณภะโวโหติเอวังโลโกปวัตตติเพราะกรรมวิบากทั้งหลายจึงเป็นไปวิบากเกิดจากกรรมพบใหม่ก็มีเพราะกรรมโลกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ เมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู่เสมอเนืองๆอย่างนี้ก็ละความสงสัยหมดทั้งสิบประการซึ่งท่านปรารภที่สุดเบื้องต้นคืออดีตการเป็นต้นแล้วกล่าวไว้โดยนยะมีอาธิว่าข้าพเจ้าได้เป็นมาแล้วหรือหนอในภพสามโยนิสี่ติห้าทิติเจ็ดและนิวาดเก้าทั่วทั้งหมดก็ปรากฏอยู่แต่เพียงนามและรูป ซึ่งเป็นไปอยู่ด้วยความสัมพันธ์ของเหตุและผลเท่านั้นนอกเหนือไปจากเหตุพระภิกษุนั้นมิได้เห็นการกะัะกะคือผู้สร้างนอกจกเหนือจากความเป็นไปของผลก็มิได้เห็นผู้เสวยผลจึงเป็นอันว่าพระภิกษุนั้นเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบว่าเมื่อมีเหตุ บรรดิต ท, ทั้งหลายก็พากันกล่าวด้วยคำเพียงหมายรู้มันว่ามีผู้สร้างเมื่อมีความเป็นไปของวิบากก็กล่าวว่ามีผู้เสวยดังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าผู้สร้างกรรมไม่มีและผู้เสวยผลของกรรมก็ไม่มีธรรมะลว้ลวนเป็นไปอย่างเดียว นี่เป็นสัมมาทัศนะคือความเห็นโดยชอบและกล่าวอีกว่าเมื่อกำและวิบากพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายดุดไม่มีใครรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายของมเมล็ดพืชและต้นไม้เป็นต้นฉะนั้นแม้ในอนาคตการความไม่เป็นไปในสังสารวัตร ก็ไม่ปรากฏพวกเดรัจฉีทั้งหลายไม่รู้ความข้อนี้ทั้งตนเองก็ไม่มีความเชี่ยวชาญจึงยึดถือสัตตะสัญญาความสำคัญหมายว่ามีสัตว์มีบุคคลแล้วมีความเห็นว่าเที่ยงว่าขาดศูนยึดถือทิฏฐิ62ประการต่างโต้แย้งกันและกันอยู่ พวกเดียรถีเหล่านั้นซึ่งมีเครื่องผูกพันคือทิฏฐิผูกพันไว้จึงถูกกระแสแห่งตันหาพัดพาไปเมื่อถูกกระแสตันหาพัดพาอยู่พวกเขาก็ไม่พ้นจากทุกพระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ความนี้ด้วยปัญญารู้ยิ่งดังกล่าวมานี้จึงเห็นชัดซึ่งปัจจัยของนามและรูป อันลึกซึ้งละเอียดว่างเปล่ากรรมไม่มีอยู่ในวิบากวิบากก็ไม่มีอยู่ในกรรมกรรมและวิบากทั้งสองต่างว่างเปล่าซึ่งกันและกันแต่ปราศจากกรรมเสียแล้วผลก็หามีไม่ไฟไม่มีในดวงอาทิตไม่มีในแก้วมณีที่ใช้ส่อง ไม่มีในมูลโคไฟนั้นไม่ได้มีอยู่ภายนอกสิ่งทั้งสามเหล่านั้นแต่มันเกิดขึ้นด้วยการประกอบกันของสิ่งทั้งสามฉันใดวิบากก็ฉันนั้นหาไม่ได้ภายในกรรมแม้ภายนอกกรรมก็ไม่ได้เพราะกรรมไม่ได้มีอยู่ในวิบากนั้นกรรมนั้นว่างเปล่าจากผลผลก็ไม่ได้มีอยู่ในกรรม แต่เพราะอาศัยกรรมแลผลจึงเกิดขึ้นจากกรรมนั้นความจริงในโลกนี้ไม่มีเทพเจ้าหรือพระพรหมผู้สร้างสังสารวัฏธรรมะแท้ๆเป็นไปเองเพราะการประกอบกันของเหตุเป็นปัจจัยเมื่อพระภิกษุนั้นทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป ทางกรร ม, มวัดและวิปากวัฏแล้วละความสงสัยในสามการได้ด้วยประการชนี้แล้วก็เป็นอันได้รู้ธรรมะทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันสิ้นทั้งปวงแล้วโดวยทางจุติและปฏิสนธิความรู้เช่นนั้นของพระภิกษุนั้นเป็นยาตะปริญญาคือการกำหนดรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว พระภิกษุนั้นรู้แจ้งชัดอย่างนี้ว่าขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดเกิดแล้วในอดีตเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ดับไปแล้วในอดีตนั้นนั่นเองส่วนขันธ์ทั้งหลายที่เกิดในภพนี้เพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยก็เป็นอีกพวกหนึง่งหามีธรรมะแม้แต่สิ่งเดียวจักภพในอดีตมาสู่ภพนี้ไม่ ขันทั้งหลายที่เกิดแล้วแม้ในภพนี้เพราะการรมเป็นปัจใจก็จะดับขันทั้งหลายจะเกิดขึ้นในภพหน้าก็เป็นพวกอื่นหากมีธรรมะแม้สิ่งเดียวจากภพนี้จะไปยังภพหน้ามิได้อีกประการหนึ่งแลเปรียบเหมือนการสาธยายคือการท่องบนจากปากของอาจารย์ หาเข้าไปสู่ปากของอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ไม่แต่การสาทยายในปากของอันเตวาสิกนั้นจะไม่ดำเนินไปเพราะการสาธยายของอาจารย์นั้นเป็นปัจจัยก็หาไม่ได้นี่คืออุปมาที่หนึ่งเปรียบเหมือนน้ำมนต์ที่ตัวแทนดื่มมีได้เข้าท้องของคนเป็นโรคแต่โรคของคนเป็นโรคนั้น จะไม่สงบลงเพราะการดื่มน้ำมนของตัวแทนเป็นปัจจัยนั้นหาไม่ได้มีเป็นอุปมาที่สองวิธีประดับตกแต่งใบหน้าไม่ไปถึงเงาหน้าในแผ่นกระจกเงาเป็นต้นแต่วิธีประดับตกแต่งจะไม่ปรากฏในแผ่นกระจกเงาเป็นต้นนั้นเพราะวิธีประดับตกแต่งนั้นเป็นปัจจัยหาไม่ได้ นี้เป็นอุปมาที่สามเปลวประทีปของไส้ตะเกียงไส้หนึ่งจะไม่ลามไปยังอีกไส้หนึ่งแต่เปลวประทีปในไส้ตะเกียงอีกอันหนึ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะไส้ตะเกียงอันก่อนนั้นเป็นปัจจัยหาไม่ได้นี้เป็นอุปมาที่สี่ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะอะไรๆจากพบในอดีต มิได้ก้าวมาสู่ภพนี้หรือจากภพนี้มิได้ก้าวไปสู่ภพหน้าเหมือนกันฉันนั้นนั่นและแต่ขันอายตนะและท่าทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นในภพนี้เพราะมีขันอายตนะและท่าทั้งหลายในภพอดีเป็นปัจจัยหาไม่ได้หรือว่าขันอายตนะและท่าทั้งหลายในภพหน้า จะไม่เกิดขึ้นเพราะมีขันธ์อายตนะและธาตุทั้งหลายในพบนี้เป็นปัจจัยหาไม่ได้ฉนนี้แหลจากขุวิญญาณมาในลำดับของมโนธาตุและมีได้มาอีกทางม่ได้เกิดในลำดับแห่งมโนธาตุหาไม่ได้ฉันใดความสืบเนื่องของจิตเป็นไปในลำดับของปฏิสนธิฉันนั้นเช่นกัน จิตดวงก่อนแตกดับไปจิตดวงหลังก็เกิดต่อจากนั้นไม่มีระหว่างขั้นของจิตสองดวงนั้นจิตสองดวงนั้นมีช่องว่างหาไม่ได้ทั้งจิตไร่ก็มิได้จุดติไปจากจิตดวงนี้ละปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นดังนี้ ปัจจยาปริฆายานในชื่ออื่นปัจจยะยาปริฆายานยานกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปของพระภิกษุผู้รู้แล้วซึ่งธรรมะทุกอย่างโดยทางจุติและปฏิสนธิด้วยประการดังกล่าวมานี้เป็นยานถึงความมีกำลังโดยอาการทั้งปวงพระภิกษุนั้น ก็ละความสงสัยส6หอย่างได้ดียิ่งและมิใช่ละได้แต่ความสงสัยส6หอย่างนั้นเท่านั้นถึงความสงสัย8ดอย่างซึ่งเป็นไปโดยในยยเป็นต้นว่าสงสัยในพระบรมศาสดาดังนี้เธอก็ละได้ด้วยเหมือนกันทิฏฐิ62ประการก็ระงับไปด้วยยานข้ามพ้นความสงสัยในการทั้งสาม คืออดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปโดยในยะต่างๆดังกล่าวมานี้พึงทราบว่าเป็นกังขาวิจารณวิสุทธิคำว่าธรรมะทิติยานยานกำหนดรู้ความตั้งอยู่ด้วยธรรมะเป็นปัจจัยก็ดีคำว่ายถาภูตยานยานกำหนดรู้ตามเป็นจริงก็ดี คำว่าสัมมาทันะความเห็นชอบก็ดีเป็นไวยพธของคำว่ากังขาวิตรณะวิสุทธินี้นั่นเองความจริงท่านพระสารีบุตรเทระก็เด็กกล่าวคำนี้ไว้ว่าปัญญาในการกำหนดรู้ปัจจัยว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารทั้งหลายและสังขารทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากปัจจัย ถึงแม้ธรรมะทั้งสองคือทั้งอวิชชาและสังขารเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากปัจจัยดังนี้เป็นธรรมะทิฏฐิยานถามว่าพระภิกษุนั้นเมื่อมนานศิการโดยความไม่เที่ยงอยู่จะรู้เองเห็นเองซึ่งธรรมะทั้งหลายเหล่าไหนตามความเป็นจริงมีสัมมาทัศสนะ คือความเห็นโดยชอบอย่างไรเป็นอันเห็น ด, ด้วยดีซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงด้วยการดำเนินไปตามสัมมาทัสนานั้นอย่างไรละความสงสัยในสิ่งที่ไหนเสียได้และโดยในยะเดียวกันเมื่อมนานสิการโดยความเป็นทุกข์อยู่เมื่อมนานสิกาโดยความไม่มีอัตตาอยู่จะรู้เองเห็นเองซึ่งธรรมทั้งหลายเหล่าไหนตามความเป็นจริง จนถึงละความสงสัยในที่ไหนเสียได้ตอบว่าเมื่อพระภิกษุนั้นมณสิการโดยความไม่เที่ยงก็รู้เองเห็นเองซึ่งนิมิตคือสังขารตามเป็นจริงเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงเรียกว่าสัมมาทัศนะพระภิกษุนั้นเป็นอันเห็นแล้วด้วยดีซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวง ด้วยการดำเนินไปตามสัมมาทัศน์นั้นละความสงสัยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เสียได้ด้วยประการชนนี้และโดยในยะเดียวกันเมื่อมานสิการโดยความเป็นทุกข์ก็รู้เองเห็นเองซึ่งความเป็นไปของสังขารตามความเป็นจริงเมื่อมานัสิการโดยความไม่มีอัตตาก็รู้เองเห็นเอง ซึ่งนิมิตและความเป็นไปตามเป็นจริงเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสัมมาทัศนะพระภิกษุนั้นเป็นอันเห็นแล้วด้วยดีซึ่งธรรมะทั้งหลายทั้งปวงโดยความไม่มีอัตตาด้วยการดำเนินไปตามสัมมาทัศนะและความสงสัยในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี้จะได้ด้วยประการชนี้ ถามว่าธรรมทั้งหลายคือยะถาภูตญ า, า, า, าหนึ่งสัมมาทัศนะหนึ่งกังขาวิตารณะหนึ่งคือการข้ามพ้นความสงสัยเหล่านี้มีเนื้อความต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีเนื้อความอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันตอบว่าธรรมะทั้งหลายคือยะถาภูตญานหนึ่ง สัมมาทัศนหนึ่งกังขาวิตารณะหนึ่งเหล่านี้มีเนื้อความอย่างเดียวกันพยัญชนะคือชื่อหรือตัวอักษรเท่านั้นที่ต่างกันอันหนึ่งท่านผู้เจริญวิปัสนาคือวิปัสสกะซึ่งประกอบด้วยยานดังกล่าวมานี้เป็นผู้ได้ความเบาใจแล้วได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้มีคติแน่นอน คือเป็นผู้มีภูมิที่ดำเนินไปภายหน้าแน่นอนมีนามว่าพระจุลโสดาบันเพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้มีความประสงค์จะข้ามค้นความสงสัยพึงเป็นผู้มีสติกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปโดยประการทั้งปวงทุกเมื่อแล ปริเฉทที่19ชื่อว่ากังขาวิตารณะวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในประการวิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชทที่19บเคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสะเทระรจนา